อาจจะลากันอย่างนี้มานับพบนับชาติไม่ท่วนเอาแค่ชาติปัจจุบันก็สองหนเข้าไปแล้วหน้าเน็ดนายคลายความยินดีกับการจับคู่เพื่อชวนกันวนเวียนในเขาวงกฏเลอะเกินยิ่งนาทีระหว่างวันผ่านไปใจฉันยิ่งหม่นเศร้าอย่างไม่อาจกำหนดสติรู้เพราะนี่คือบทเรียนแห่งความเจ็บปวดซ้ำสองจากผู้หญิงคนเดียวกันฉันเขียนสรุปสิ้นเดือน